เมื่อสิบกว่าปีก่อนที่หลวงพ่อเริ่มสอนสอนให้รู้สึกตัวเพราะคนปฏิบัตนะิรู้สึกตัวไม่เป็นหรอกทำสมาธิก็เอาแต่เพง่งมุดมุดมุดไปอีกพวกหนึ่งไม่ทำสมาธิเลยพวกไม่ทำสมาธิยังแยกได้อีกพวกหนึ่งคิดพิจารณาอย่างเดียวเลยคิดแต่ไตรลักษวันวัน ไม่ทำสมาธิใช้ไม่ได้ครูบาอาจารย์ตำหนิถึงวันนี้ก็ยังสืบทอดกันมานะยังมีกลุ่มนี้ยังเหลืออยู่ทิ้งสมาธิหลือไปพิจรารณาร่างกายเป็นไตรลักษณ์ใช้คิดเอาอีกพวกหนึ่งก็ไม่ทำสมาธินะไปกำหนดยกหน้อยย่างหนอพองหนอยุบหนออะไรพวกนี้ ไม่ได้ฝึกจิตให้ทรงสมาธิที่ถูกต้องสั ก, ก่อนพอกําหนดลงไปมันเลยกลายเป็นสมาธิแบบไปเพ่งอารมณ์ไปเป็นอารามณูปนิชานนะพวกหนึ่งก็นั่งสมาธิเคลิมเห็นโน้นเห็นนี่ไปนี่พวกหลงสมาธิหรือไม่ก็ลืมตัวนั่งแล้วก็หลับเงียบๆอยู่ข้างใ น, นพวกหนึ่งนั่งสมาธิแล้วก็เห็นโ น, น้นเห็นนี่ไป นี่พวกสมาธิพวกไม่เอาสมาธิก็เป็นพวกคิดมากคิดอย่างเดียวกับพวกไปกําหนดกําหนดเอาเลยเนี่ยหลวงพ่อเลยสอนยุคแรกๆสอนให้รู้สึกตัวที่แรกก็มีกระแสต่อต้านเยอะมากเลยไม่เข้าใจหลังๆเนี่ยคนรู้สึกตัวเป็นเยอะแยะไป งั้นจุดสําคัญเลยต้อรู้สึกตัวเป็นก่อนสภาวะที่รู้สึกตัวเนี่ยไม่เผลอไปม่นก็ไม่ไปเพ่งเอาไว้ไปเพ่งเอาไว้ก็ไปทําสมาธิแบบจ้องเอาไว้นะหรือไม่ไปดูท้องผองท้องยุบก็ไปจ้องที่ท้องอีกไปดูเท้ายกเท้าย่างเท้าก็จ้องที่เท้าอีกรู้อิริยาบทสี่แจ้องร่างกายทั้งร่างกายเลยเนี่ยทําใจความรู้สึกอยู่ข้างบ น, นจ้องลงมา บอกรู้ตัวตลอดเวลานะแต่ใจเนี่ยแข็งใจไม่อ่อนโยนไม่นุ่มนวลไม่คล่องแคล่วว่องไวไม่ควรหยอาการงานจิตเป็นอกุศลโดยไม่รู้ตัวจิตอ่นอัดจิตที่อึดัดเนี่ยเป็นจิตที่มีโทมนัสเมตนาเป็นอกุศลและจิตเนื่องเรื่องของจิตเรื่องของใจเนี่ยเรื่องใหญ่นะต้องเรียน อย่าไปน้อมจิตให้ไปเพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวน้อมจิตให้เพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวเรียกอารามนุปนิชานะอย่างเก่งที่สุดได้สมถะอย่างแย่ที่สุดก็คือเป็นมิจฉาสมาธิถ้าอย่างดีก็เป็นสมถะยังไม่ขาดสติถ้าขาดสติเมื่อไหร่เป็นมิจฉาสมาธิทันทีเลยพวกนั้นก็คิดคิดคิ ด, คดไปฟุ้งซ่านลืมตัวเองเผลองั้นจุดแรก ถ้าใครเรียนอยู่หลวงพ่อนานๆเดี๋ยวได้ยินหลวงพ่อสอนไม่เผลอไม่เพ่งนีเป็นจุดตั้งต้นเลยทําไมสอนตรงนี้ก่อนสอนตรงนี้แหละที่เรียกว่าจิตศิกขาในเบื้องต้นนะเพื่อให้เกิดสมาธิที่ถูกต้องศีลสิกขหาจิตสิกขหาปัญญาศิกขหาจิตสิกขาฝึกให้มีสมาธิที่ถูกต้องจิตที่มีสมาธิถูกต้องนะี่เป็นจิตที่นุ่มนวล อ่อนโยนเป็นจิต ท, ที่เบาเนะบาเรียกละหุตาเบาละหุตาอ่อนโยนนุ่มนวลเรียกว่ามุทุตาคล่องแคล่วงว่องไวไม่ขี้เกียจขี้คล้านเนีนะ่ยควรแกการงานเป็นะตาคนตามิกกรรมันจะตาควรที่อาไปใช้งานไม่ใช่จิตซื้อบือ้อนะนะีจิต ท, ที่พานานแล้วขี้เกียจขี้คลานซืบื้ อ, อ, อยูนะ่ไม่ควรแกการงาน แลจิตนั้นมีความคล่องแคล่วเนี่ยปากคุนตามีความคล่องแคล่วไม่เสื่องเสื่องนิ่งนิอยู่มีอุชกตาซื่อตรงในการรู้อารมณ์ไม่ใช่ขี้เกียจขี้เกียดรู้เราะงั้นถ้าจิตหนักจิตแน่นจิตแข็งจิตซึมจิตทื่อเนี่ยฟันทงได้เลยว่าอกุศลจิตเรามาฝึกจิตฝึกใจของเราเนี่ย ให้มีสมาธิที่ถูกต้องให้จิตตั้งมั่นไม่เผลอแล้วก็ไม่ได้เพ่งเอาไว้บางคนกลัวจะเผลอแล้วเพ่งเอาไว้ยางนี้ก็ยังใช้ไม่ได้ ย, ยังสุดโต่งไปข้างบังคับตัวเองถ้ามีใจจิตจะเข้าสู่จุดที่เป็นจุดถูกต้องนะเป็นทางสายกลางไม่เผลอไปเผลอเนี่ยย่อหย่อนไปเพ่งเนี่ยตึงเครียดเกินไปบังคับกายบังคับใจมากไป วิธีการที่เราจะได้จิตชนิดนี้นะก็คือเราทํากรรมาฐานสักอย่างหนึ่งแล้วเราคอยรู้ทันจิตที่หนีไปอย่าพุโทโธก็ได้จะหายใจก็ได้ไม่ใช่พุโทโธให้จิตสงบไม่ได้หายใจให้จิตสงบแต่คอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเช่นเราพุโทโธพุโทโธจิตหนีไปคิดเรารู้ทันพุโทโธพุโทโธจิตไหลไปอยู่ในความว่างๆรู้ทันรู้ลมหายใจจิตหนีไปคิดรู้นะรู้ทันว่าหนีไปแล้ว หายใจไปจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ทันกันที่เรารู้ทันจิตที่เคลื่อนนั่นนะจิตมจะตั้งมั่นโดยที่ไม่ได้บังคับไม่ได้จงใจว่าห้ามเคลื่อนเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้ตัวนี้จำหลักตรวนี้ให้แม่นนะเคลื่อนเรารู้นะไม่ใช่ว่าห้ามเคลื่อนห้ามเคลื่อนแล้วจะไปเป็นสมาธิแบบเพ่งจ้องเคร่งเครียดถ้าเผลอเรารู้เผลอเรารู้เนี่ยจิตจะตั้งมัน่นเด่นดวงขึ้นมาจิตจะเบามีละหุตา นุ่มนวลอ่อนโยนเรียก ว, ว่ามูทุตามีป่าคุณตามีความคล่องแคล่วว่องไวกรรมยาตาควรเกียการงานไม่ขี้เกียจขี้คร้านอุชุกตาซื่อตรงในการรู้อารมณ์จิตดวงนั้นไม่มีราคาครอบงำไม่ใช่อยากปฏิบัติปฏิบัติได้โดยไม่ได้อยากปฏิบัติไม่ได้มีความโทสะไม่มีโทสะครอบงำไม่ได้ปฏิเสธสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ไม่รักไม่เกลียดสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะรู้สภาวะทั้งหลายอย่างซื่อๆเพราะน้จิตดวงนี้นะมีองค์ประกอบมากมายมีองค์ประกอบก็คือมีความเบาความอ่อนโยนนุ่มนวลความ ค, คล่องแคล่วว่องไวกนะารไม่ขี้เกียจชีคร้านนะซื่อตรงในการรู้อารมณ์ไม่ถูกราคาไม่ถูกโทสะไม่ถูกความหลงครอบงำนะมีองค์ประกอบอะไรยง จิตดวนี้เป็นมหากรุสรจิตมหากุสรจิต ท, ที่จะใช้เดินปัญญาเนี่ยชื่อมหากรุสรจิตเลยานสำปรยุทธ์ประกอบด้ปัญญาอาสังคาริกังไม่ได้เจตนาให้เกิดถ้ายังเป็นจิต ท, ที่เจตนาให้เกิดเนี่ยจะเป็นกรุสัที่มีกําลังอ่อนไม่พอที่จะเดินปัญญาจริงงั้นเราต้องมาฝึกเจนกรทั่งเราได้จิต ท, ที่ตั้งมั่นเด่นดวงนี่โดยอันตโนมัติ ไม่ได้เจตนาตั้งขึ้นเองพอตั้งขึ้นเองแล้วเนี่ยมันจะองค์ประกอบมันจะครบอย่างที่บอกอันนี้คือความรู้ที่หลวงพ่อสะสมมานะตั้งแต่เจ็ดขวบฝึกมาสมาธิอยู่22ปีเลยชํานาญในเรื่องสมาธิพวกนี้แยกสมาธิได้สมาธิอย่างไหนเป็นมิจฉาสมาธิมิจฉาสมาธินี่คือสมาธิที่ขาดสติ อออกไปเห็นโน้นเห็นหนี่อะไรพวกมิฉาสมาธิถ้าสมาธิที่ดียังแยกออกสองกลุ่มสมาธิที่สงบเอาไว้พักผ่อนกับสมาธิที่จิตตั้งมั่นเอาไว้เดินปัญญาดวงที่หลวงพ่อบรรยายคุณสมบัติมาเนี่ยคือสมาธิที่จิตตั้งมั่นเอาไว้เดินปัญญาต้องมีจิตดวงนี้ต้องมีจิตดวงที่มีสมาธิที่ถูกต้องอันนี้ การทำมิปัสสนากรรมฐานจึงจะทําได้จริงไม่งั้นทําไม่ได้จริงเพาเหลวไหลยังบางคนมีแต่จิตฟุ้งซ่านแล้วก็นั่งคิดพิจารณากายเป็นไตรลักษณ์อันนี้จะได้ได้สมาธินะแต่ได้แค่อุปจารสมาธิเป็นสมาธิแปลงนอกด้วยไปที่กายหรือาบางคนก็รู้ลมหายใจจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจพอรู้ลมหายใจจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจจิตไหลไป ไปสงบอยู่ที่ลมลมกลายเป็นแสงแก็จิตจะเข้าเข้าฌานงั้นถ้าเราใช้ลมหายใจเนี่ยจะเกิดปฏิภาคนิมิตมีแสงมีดวงเล่นกสินเนี้ยจะมีดวงสว่างขึ้นมาเป็นปฏิภาคนิมิตทั้งหมดเลยอันนี้จะไปรูปฌานนะได้ถึงฌานสีอย่างถ้าบางคนก็ทำใจว่างๆเจริญเมตตาหรือไปดูช่องว่าง หลับตาลงรู้สึกไหมข้างหน้าเราว่างๆนีจับอยู่ข้างหน้านะหรือจับเอาที่ตัวรู้หรือทิ้งทั้งสองข้างนะในสุดใจก็เคลิ้มลงไปอันนี้ได้อรูปประชันถ้าเจริญเมตตานะีจะได้อารูปถึงอรูปตัวที่สามนะถ้าเจริญอุเบกขาขึ้นอารูปถึงที่สไดนะ้สิ่งเหล่านี้ก็ดีเหมือนกัน เอาไว้พักผ่อนแต่ตัวสำคัญว่นนั้นก็คือสมาธิที่จะใช้เจริญปัญญาสมาธิพวกนั้นเอาไว้พักผ่อนให้จิตใจสดชื่นมีเรี่ยวมีแรงแล้วสำคัญมากที่เราต้องฝึกจิตของเราให้รู้สึกตัวขึ้นมาจิตที่รู้สึกตัวนะัจิตมีสมาธิที่ถูกต้องมันง่ายที่สุดจงกระทั่งมันยากที่สุด ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยจิต ท, ที่ตื่นขึ้นมารู้สึกตัวขึ้นมาเท่านั้นเองแต่มันยากเพราะคนอันนัน้พวกหนึ่งนึกไม่ถึงเลยว่ามันจะง่ายปานนั้นก็พยายามไปทําอะไรที่ซับซ้อนยุ่งเหยิงขึ้นมาไปทํากรรมฐานอะไรพิลึกพิลั่นมากมายแค่ไม่เผลอไม่เพ่งเท่านั้นเองนะไม่เผลอถ้าเพ่งก็คือบังคับเอาไว้เผลอก็คือจิตไหลออกไปให้เรารู้ทันจิต ท, ที่ไหลนะมันจะไม่เผลอ ในขณะที่รู้ทันจิตที่ไหลการไหลจะดับมันจะตื่นขึ้นมาพอดีตั้งมั่นพอดีโดยที่ไม่ได้เพง่งไม่ได้บังคับให้ตั้งมั่นแ้การที่เราทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วเรารู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปสภาวะที่ไม่เผลอไม่เพง่งจะเกิดขึ้นแต่ถ้าจิตเคลื่อนเราดึงแทนที่เราจะรู้ว่าจิตเคลื่อนเราดึงคืนจะเกิดจิตเพ่งขึ้นแทนแต่จิตเพ่งนั้นห้ามมันไม่ได้หรอก เป็นธรรมชาติที่นักปฏิบัติต้องเป็นทุกคนเลยแต่ให้รู้ทันอย่างเวลาเราใจลอยไปพอใจลอยอันนี้เป็นจิตเผลอไปพอเรารู้ว่าใจลอยนี่เป็นจิตรู้ถ้าจากจิตรู้เราจะดึงทันทีเลยไหมมันจะแน่นๆขึ้นมาเลยมันจะเป็นจิตเพ่งคนที่ไม่เคยภาวนานหรือภาวนาไม่ถูกเนี่ยจิตจะมีแบบเดียวคือเผลอเผลอเผลอ ถ้าหาดภาวนาใหม่ๆนะจิตเผลอรู้สึกแล้วก็เพ่งเผลอรู้สึกแล้วก็เพ่งพอชำนิชำนาญขึ้นมานะปฏิบัติชำนาญขึ้นเผลอแล้วรู้เผลอแล้วรู้ไม่เพ่งไม่ได้รักษาไว้พอภูมิปัญญาแก่กล้าเต็มที่นะในเฉพาะถึงภูมิของพระอนาคามีนะยังมีจะรู้รู้รู้รู้พระอนาคามีมีสมาธิบริบูรณ์ สมาธิที่พระอนาคามีนะคือลักขณูปนิชฌานจิต ท, ที่ตั้งมั่นตอนก่อนจะบวชนะหลวาพ่อเคยสงสัยนะทำ mm hmm. ไมน้าพระพุทธเจ้าบอกพระอนาคามีมีสมาธิบริบูรณ์โสดาเนี่ยนะมีศีลบริบูรณ์มีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยพระโสดาพระสกทาคาเนี่ยมีศีลสมบูรณนะ์สมาธิปานกลางปัญญาเล็กน้อย พระอนาคามีนะั้นมีศีลสมบูรณ์มีสมาธิสมบูรณ์มีปัญญาปานกลางพระอราหันต์เนี่ยศีล ส, สมาธิปัญญาเนี่ยสมบูรณ์เต็มที่ที่งงมากเลยทาไมพระโสดามีมีสมาธิเล็กน้อยพระสกทาขาเนี่ยสมาธิปานกลางพระอนาคามีเนี่ยสมาธิสมบูรณ์ไม่แปลกไหมในขณะที่ปุถุชนฤษีชีพไพรได้ฌานแปด ทำไมพระริยาบุคคลเนี่ยพวกเนี้ยสมาธิเล็กน้อยเอกุธุชนสมาธิเยอะทําไมเป็นงั้นไม่เข้าใจเลยตรงเนี้จนมาภาวนาแล้วจําแนกประเภทของสมาธิได้นะที่ฤาษีชีไพรมีสมาธิได้ฌานแปดได้อารามณูปนิชฌานไม่มีหรอกลักขณูปนิชฌานถ้าได้ลักขณูปนิชฌานจะไปเดินวิปัสสนา ละคณูปนิชานเนี่ยประกอบด้วยฌานหนึ่งสองสาห้าดแปได้เหมือนกันนะแต่เริ่มตั้งแต่ปฐมฌานเท่านั้นองแล้วถ้าเรายังไม่ได้ปฐมฌานก็ไม่ต้องกลัวเราก็ฝึกละคณเอาละคณูปนิชาน เ, นเป็นคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิก็มีละคณนะูมีแบบเดียวกันอารามณูปนิชานนั้นจิตจะเคลื่อนไปอยู่ที่อารมณ์ถึงเรียกว่าอารามะอาระมะอาระมะก็คืออารมณ์จิตเคลื่อนไปอยู่ที่ตัวอารมณ์ รักขณูปณิชานะั้นจิตถอนตัวออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูแยกออกจากอารมณ์เห็นอารมณ์แสดงไตรลักษณ์เห็นตัวรู้แสดงไตรลักษณ์อย่างนี้เดินปัญญาได้สมาี่อย่างนี้ไม่ค่อยมีใครสอนนะมีครูบาอาจารย์ที่สอนอยู่ที่หลวงพ่อเคยได้ยินนะคือหลวงุู่เทศหลวงปู่เทศสอนจ น, นกระทั่งพวกวัดป่าแบบอนุรักษ์นิยมนะต่อต้านท่านว่าท่านภาวนามไม่เป็น ท่านพูดเรื่องสมาธิกระชานสมาธิกระชานพูดอย่างนี้ตอนหลวงพ่อไปเรียนกับท่านไปนมันก็งงทำไมมีสมาธิกระชานชานเนี่ยมันไปเพ่งมันก็คืออารามนูปนิชานตัวที่ท่านเรื่องสมาธิอะ น, นะคือลักขณูปนิชานแต่ท่านไม่ได้รู้สัพท์ปริยัดท่านเรียกสมมุติขึ้นมาเรียกอย่างนี้แล้วท่านสอนเรื่องจิตกใจ จิตอันใดใจอันนั้นแต่จิตเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานท่านบอกพอจิตมาเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งเรามีสติรู้ทันก็มาเป็นใจใจนี่แหละเป็นใจที่จิตที่ส่งสมาธินะเป็นจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาตัวนี้แหละเอาไว้เดินปัญญาตอนที่ท่านจะมีชีวิตอยู่ท่านสอนนั่นแหะคนไม่เข้าใจเลยไม่คยไม่ค่อยเข้าใจ บางกลุ่มแนละ้วต่อต้านท่านว่าท่านสอนผิดทําไมท่านไม่พุโทโธพิจารณากายท่านลึกซึ้งมาถึงตัวนี้แล้วถ้าท่านชํานาญสมาธิไม่มีใครเหมือนท่านชํานาญเพราะติกสมาธิมาสิบกว่าปีหนะลวงปู่มั่นแก่ท่านได้อีกองหนึ่งที่สอนคือหลวงปูดุลแต่ท่านไม่ได้จําแนกสองชนิดนะท่านฟันทงอะไรหลวงปู่ดุลเป็นพระที่สัตว์ก็สัตว์แสดหน้าเลยไม่มีอ้อมค้อมเลย อย่าส่งจิตออกนอกประโยคเดียวนิ่อย่าส่งจิตออกนอกยังไม่ครอบประโยคเลยนะไม่มีประธานเป็นแค่วาลีเดียวอย่าส่งจิตออกนอกหนึ่งว่าลีอย่าส่งจิตออกนอกก็คือจิตที่มีสมาธิตั้งมั่นอยู่นั่นเองไม่ไหลไปจิตที่ไม่ไหลก็ลส่งท่านไม่ได้บอกว่าให้รักษาไว้นะ เราจะ ส, าส่งไปแล้วส่งไปแล้วรู้ทันเราถ้ารู้ทันมันจะตั้งขึ้นมาพอตั้งขึ้นมาแล้วถึงจะเดินปัญญาได้ถ้าเดินปัญญาด้วยกันดูกายนะก็แยกรูปนามเห็นร่างกายส่วนหนึ่งใจเป็นคนดูร่างกายเคลื่อนไหวไม่ใช่เรา ใ, ใจที่เป็นคนดูร่างกายไม่ใช่เราถ้าเดินปัญญาด้วยการดูเวทนาก็ลึกซึ้งขึ้นไปอีกเห็นว่ากายก็ส่วนหนึ่งเวทนาก็ส่วนหนึ่งจิตก็ส่วนหนึ่งที่เป็นคนดูนะ ทั้งหมดนี้ไม่ใช่เราถ้าจเจริญปัญญาด้วยการดูจิตเนี่ยใช้ประโยคที่หลวงปู่ดูย์สอนหนงง่ายๆอันนึงจงทำยานเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปถ้าใครมาเมื่อวานหลวงพ่อสอนไปแล้วนะทำยานเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปถ้าพูดอย่างของพระพุทธเจ้าจิตมีราคาให้รู้ว่ามีราคาจิตไม่มีราคารู้ว่าไม่มีราคาใช่คาว่ารู้แค่คาว่าเห็น หมายถึงว่ามันเป็นยังไงเป็นอย่างรู้รู้ว่าเป็นอย่างนั้นคำวิปัสนาวิปัสสนานะตัววิเป็นว่าแจ้งปัจสนาว่าการเห็นงั้นไม่ใช่คิดไม่ใช่เพ่งแต่เห็นเอาเห็นด้วยอะไรเห็นด้วยปัญญาว่าจิตใจนี้เป็นของไม่เที่ยงเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวไปทางตาเดี๋ยวไปทางหูเดี๋ยวไปทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจ เงี้ยไม่เที่ยงเราดูรูปเราดูรูปตลอดเวลาไหมลองดูพระพุทธรูปดนะิเห็นอย่างเดียวไหมหรือเห็นสลับกับคิดเห็นไหมว่าไม่ได้ดูอย่างเดียวเวลาดูหนังดูละครก็ดูอย่างนี้แหละเวลาดูทีวีแนละ้วตามองหูฟังใจคิดอย่างน้อยสามอายตนะแต่สามอายตนะทาทีละอันนะถ้าไปดูให้เดียขณะที่ดูหูไม่ได้ยินหรอก นะแต่มันสลับกันเลยจนกระทั่งมันมาจับไอ้คําพูดที่เราไม่ได้ยินพนะอเขาพูดอย่างคำว่าสมมติคำว่ากินเงนี้ยมันก็มีช่วงใช่ไหมจิตเรามันเกิดดับเร็วมันไปฟังนะคําว่ากินได้ตัวนิดนึงมันไปดูไปคิดกลับมาฟังอีกอะไรเงี้ยนะคําว่ากิ่นก็ยังไม่จบฟังเก็บเก็บเป็นจุดเล็กๆนะจุดๆๆๆแนละ้วสัญญาประมวลว่ากลิ่น มองเห็นเห็นคนกำลังกินข้าวตา ม, มองเห็นเห็นเป็นช็อตๆนะแล้วสัญญาประมวลรูปขึ้นมาเห็นเป็นรูปคนขึ้นมาใจคิดคิดเป็นช็อตๆแล้วนะสัญญาก็ประมวลขึ้นมาสนุกนะไปหัดภาวนาของไม่เคยรู้ได้รู้ไม่เคยเห็นได้เห็นไม่เคยเข้าใจได้เข้าใจ ไม่เคยวางยก็ได้วางตรงนี้อัศจรรย์นะวางเบื้องต้นวางอารมณ์หมู่ที่สุดเช่นโกรธขึ้นมารู้ทันปุ๊บโกรธดับปั๊บนี่จิตวางอารมณ์บางคนบอกแค่นี้ก็ทําไม่ได้แล้วโกรธโกรธโกรธนะดูอยู่ทําไมไม่หายโกรธสัทีจะหายโกรธได้ยังไงกําลังโกรดความโกรธนั้นอยู่มีโกรธซ้อนโกรธทีแรกก็โกรธคนอื่นต่อมาก็โกรธตัวเอง ว่าโกรธอีกแล้เงี้ยอย่างเงี้ยซอนซ้อนซ้อนเข้าไปหมองไม่เห็นนะไปฝึกนะค่อยๆรู้ค่อยๆดูเมื่อวานหลวงพ่อสอนเรื่องเดินปัญญาไปนะวันนี้เลยมาปิดท้ายด้วยสมาธิซะหน่อยเดี๋ยวไม่ครบเราต้องมาฝึกจิตฝึกใจทํากรรมฐานซะอย่างหนึ่งนะแล้วคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนฝึกไปเถอะไม่ห้ามเคลื่อนได้แต่เคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้ ถ้าฝึก อ, อย่างนี้ได้นั้นจะได้สมาธิที่ตั้งมั่นจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานหลวงพ่อได้สมาธิตัวนี้ได้ตัวรู้เนี่ยตั้งแต่เป็นโยมนะแล้วตัวรู้เนี่ยแข็งมากเยลยเข้มแข็งเอ๊เผลอๆก็มีแต่แวบเดียวเท่านั้นไม่เผลอนานหรอกแล้วตัวรู้เราเข้มแข็งครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่สิมเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้นะพระหรือโยมได้ยินหลวงปู่สิมเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้เนี่ยจะง ง, ง ว่ารู้อะไรเคยมีนะมีคนถามรู้อะไรหลวงปู่เรียกผู้รู้รู้อะไรบอกรู้ตัวรู้ตัวเราก็รู้นะเนี่ยเราก็รู้นะบอกไม่รู้หรอกอย่างนี้อย่างไม่เรียกไม่รู้หรอกรู้ตัวแล้วเนี่ยพอเดินปัญญาเนี่ยจะ ง, ง่ายเใจมันเป็นคนดูนี่จเห็นเลยถ้าเดินปัญญาด้วยการดูกาย ก็เห็นกายเป็นทำงานใจนเป็นคนดูกายไม่ใช่เราใจที่ดูก็ไม่ใช่เราเรียกว่ากายานุปัสสนานะนีเดินปัญญาด้วยกันดูกายถ้าเดินปัญญาด้วยกันดูเวทนาก็ซับซ้อนมากขึ้นหน่อยถ้าง่ายอีกตัวหนึ่งก็เดินปัญญาด้วยกันดูจิตีจิตตานุปัสสนานั้นกายานุปัสสนากับจิตตานุปนัสสนานีเป็นกรรมฐานที่ง่ายนะเวทนานุปนัสสนานี่ยาก แล้วก็ธรรมานุภัสนาเนี่ยยากมากแต่ทุกคนไม่ว่าจะทํากรรมฐานอะไรมานะถ้าทําถูกทํามากพอสุดท้ายมันจะเข้าสู่ธรรมานุปัสนาโดยอัตโนมัติไม่ว่าเราจะดูกายหรือเริ่มด้วยดูเวทนาหรือเริ่มด้วยดูจิตสุดท้ายจะแจ้งอริยสัจอริยสัจหรือปฏิจจสมุปบาทจะอยู่ในธรรมานุปัสนาแับสุดท้ายเลยอันสุดท้าย พระาอารหันตทุกคนแจ้งตัวนี้หมดนะแต่แจ้งแล้วเนี่ยแจกแจงรายละเอียดได้ไม่เท่ากันคนที่แจกแจ ง, แจงได้สมบูรณ์ที่สุดก็คือพระพุทธเจ้านะงั้นธรรมะทั้งหลายเนี่ยรวมลงในอริยสัจทั้งหมดไหมแจกแจงออกไปได้ทั้งหมดในอริยสัจครับรวมธรรมนะทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรมฝ่ายโลกียะกับฝ่ายโลกุตตะฝ่ายโลกียะ ก็มีตัณหาเป็นตัวเหตุมีตัวทุกข์เป็นผลฝ่นะายโลกุตระก็มีมรรคเป็นเหตุมีนิโรธเป็นผลนะมีเหตุผลเหตุผลสองคูนะ่ข้างหนึ่งเป็นโลกข้างหนึ่งหลุดจากโลกพ้นจากโลกเราจะครอบคลุมธรรมะทั้งหมดไว้มันเป็นเรื่องเหตุกับผลเหตุกับผลทั้งหมดเลยเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ไม่มี ครอบคลุมถัดจานั้นก็จะกระจายธรรมะไปคำ ว, ว่าทุกทุกคืออะไรกระจายออกมาเป็นขันเป็นธาตุเป็นอรยตนะเป็นอินทรีย์เนี่ยกระจายออกไปเป็นปฏิจจสมุ ป, ปบาทกระจายออกไปตัวสมุ ท, ทยัยก็คือตัวกระจายออกไปละเอียดก็คืออวิชชาตันหาอุปาทา น, น, นกระจายออกไปนิโรธ นิโรธแยกออกไปห้าประเภทแต่นิโรธจริงๆที่เราเอานะสามอันหลังแต่ว่าเรายังไม่ต้องเรียนหรอกนิโรธอันหนึ่งคือดับด้วยสมถะนิโรธอันหนึ่งดับด้วยปิปัสนานิโรธอันหนึ่งดับด้วยมะนิโรธอันหนึ่งดับด้วยผลนิโรธอันหนึ่งเนี่ยคือปานิพันธ์อันนี้นิโรธที่เราจะฝึกกันนะ ก็ฝึกมุ่งไปสู่ผลิพันธ์แต่เวลาจิตฟุ้งซ่านมีนิวรณมีอะไรขึ้นมาเราดับนิวรนด้วยนิโรธอย่างที่หนึ่งด้วยสมถะเวลาเราดูรูปนามนะเราก็ดับความเห็นผิดนะด้วยวิปัสนาล้างความเห็นผิดเวลาเกิดอริยมรรคดับอะไรดับสังโยชน์ลงไป เวลาเกิดอริยผลอันนี้ไม่ได้ทำงานต่อจอเป็นสภาวะที่มันดับเป็นสภาวะที่มันพักผ่อนตัวมันเองอยู่หลังจากที่ทำงานคือทำทำตัวมรักแล้วส่วนพระนิพพานนะ่ะนึกถึงเมื่อไหร่ถ้าจิตของเรามีคุณภาพพอนึกถึงเมื่อไหร่ก็ปรากฏ ต, ตรงนั้นเลยไม่ต้องเที่ยวสแสวงหางั้นถ้าใครบอกว่ามาฝึกเข้านิพพานประโยคนี้ประโยคเดียวก็บอกแล้วว่า ไม่รู้จักนิพพานหรอกถ้าฝึกเข้านิพพานนะฝึกจิตเข้าพระนิพพานส่งจิตไปเข้าพระนิพพานนิพพานเหมือนโลกโลกหนึ่งเหมือนเมืองเมืองหนึ่งพวกนี้ไม่รู้จักพระนิพพานนิพพานไม่มีเข้ามีออกนะนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตานี่เองไม่มีไปมีมาอะไรเลยไม่มีเกิดไม่มีดับโลกุตระธรรมมีสองกลุ่มนะกลุ่มที่เกิดดับคือตัวมรรคผลกลุ่มที่ไม่เกิดไม่ดับ ไม่ใช่กลุ่มสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับมีอันเดียวคือนิพพานเป็นโลกุตระสองแบบไม่เหมือนกันเรียนนะค่อยๆเรียนวันนี้หลวงพ่คอคล้ายๆให้มองภาพกว้างๆเราจะได้รู้ว่าพระพุทธศาสนาไม่กระจอกเลยนะเป็นศาสตร์ที่ต้องเรียนที่สำคัญคือเรียนชาติเดียวไม่จบ หลวงพ่อเคยถามครูบาอาจารย์ซึ่งท่านมีฤทธิ์มากองหนึ่งว่าถ้าเราลงมือปฏิบัตินะล้วทำไม่ผิดนะทำถูกอะ่ะเราปฏิบัติสม่าเสมอเนี่ยใช้เวลานานไหมครับคนคนหนึ่งกนะว่าจะเข้าถึงธรรมะโอ้ยไม่นานหรอกพโมดเราดูไปแล้วนะไม่เกินเจ็ดชาติหรอกก็ฟังนะ่สะดุ้งเลยนะ <c oughs> เราเกิดมาเท่าไหร่แล้วล่ะ นะชาติพบที่เราได้มาเนี่ยนับจํานวนมหาศาลเลยนะนับไม่ท้วนเลยแค่โครงกระดูกของเราในกลับกับหนึ่งเนี่ยใหญ่กว่าภูเขาทั้งลูกเลยนะมันมาคือมากันนาด น, นั้นนะเจ็ชาตินี้ที่งเดียวหลวงพ่อจะบอกให้อย่างหนึ่งคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ยไม่ใช่ชาติที่หนึ่งหรอกชาติที่หนึ่งคงไม่มานั่งอยู่ตรงนี้หรอกนะงั้นอย่าท้อถอยนะ บางคนก็ควรจะได้อะไรบ้างในชาตินี้อาจจะได้มากได้น้อยถ้าไม่ได้ก็คือเกือบเกือบได้ยชาติต่อไปไปฟังต่ออีกหน่อยหนึ่งก็ผ่านได้ถ้าขี้เกียจชาตินี้ขี้เกียจชาติหน้ามันก็ขี้เกียจอีกกี่ชาติกี่ชาติมันก็ไม่ได้สักทีจึงกระดูกกองเป็นภูเขาก็เพราะไอ้ขี้เกียดนี่แหละะเพราะฉั้นอย่ามาส่งกันบ้านนะว่าขี้เกียจ ไ, ได้ยินแนละ้ว มือเท้านะั้นมันจะกระดิกกระดิกนะครูบาอาจารยนะ์นั้่นแทบจะกระโถนกว้างเลยนะแต่หลวงพ่อไม่กว้างเพราะกระโถนนี้เป็นกระเบื้องใครซื้อมาให้ห็รูแพงด้วยนะหน้าตากว้างไม่ได้ไปกินข้าวไปรู้สึกตัวไปนะไม่เผลอไม่เพง่งนี่มนหมดเลยครับ